นั่งดูลมใช่ไหมนั่งดูลมแล้วเห็นตัวเรามันนั่งอยู่ด้วยก็จะเป็นเรื่องดีเห็นร่างกายมันมีลมหายใจเข้ามันมีลมหายใจออกตัวเรามันก็เป็นตัวสติกที่มันเห็น เห็นอะไรเห็นกายอันนี้มันนั่งอยู่เป็นกายที่มันก็มีลมไหลเข้ามีลมไหลออกอยู่ที่จมูกเราเนี่เลยเวลาทำไปก็ไม่ต้องไปขึงเครียดมันนะทำให้สบายสบาย เราปฏิบัติทำเราก็อยากจะให้ชีวิตให้ใจของเรามันมีความสุขทำไปทาไปก็ใจขุนมัวใจเศร้าหมองใจหนักแน่นใจหนักมันก็ไม่ใช่ล่ะเราทำสมาธิก็เพื่ออะไรให้ใจเราสงบแต่ไม่ได้สงบแบบโหดขู่แต่เราต้องการให้ใจเราสงบระ ง, งับจาก อารมณ์ภายนอกมาตั้งมั่นอยู่ในภายในพอมาตั้งมั่นอยู่ในภายในอยู่แล้วมันก็เขาเรียกว่าเกิดมีความสุขที่เกิดแต่ในภายในเพราะฉะนั้นทไปแล้วใจเรามันก็ต้องช่มชื่นเบิกบานนี่แหละทาไปถ้าเราออกมาดูตัวเองได้้ะ คิ้วกระมวดหน้ายู่ยมันก็ไม่ถูกต้องของการปฏิบัติธรรมนะแต่ก็ไม่ใช่ว่านั่งไปยิ้มไปเหมือนคนเมายาเนี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันคนเรายิ้มก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนมีความสุขเพราะบางคนก็ฝืนฝืนยิ้มก็มีแต่คนที่ยิ้มออกมาจากใจที่มันมีความสุขนะเมื่อก็เป็น รอยยิ้มที่มันมีพลังเรื่องเรามาฝึกฝึกอย่างนี้แหละก็คือฝึกให้ใจเราแบบหัดที่จะยิ้มให้มันเป็นหัดที่จะมีความสุขให้มันเป็นแต่ความสุขประเภทที่เรากาลังทำอยู่นี้มันไม่ใช่ความสุขที่เราไปพึ่งภายนอกไม่ได้พึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส เป็นความสุขที่ไม่ต้องไปพึ่งคนรักไม่ต้องไปพึ่งร้านอาหารไม่ต้องไปพึ่งโทรศัพท์มือถือ t ู b e facebook อะไรเหล่านี้ก็ไม่ต้องไปพึ่งแล้วก็เป็นวิธีที่เราหลีกไกลจากสิ่งเหล่านั้นย้อนกลับมาที่ตัวของเราเองย้อนกลับมาที่ตัวเราแล้วก็ จดจออยู่กับความรู้สึกในภายในที่ไม่ส่งไม่ส่งออกไปทางความคิดว่าตาเราปิดแล้วเนี่ยมันก็ส่งลำบากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ส่งออกไปทางความคิดเรามาอยู่ในสถานที่ที่มันไม่มีความวุ่นวายไม่มีเสียงรบกวน โอกาสที่ใจมันจะหนีไปทางเสียงก็ลบาบากเพราะฉะนั้นมันจะหนีง่ายๆก็หนีไปทางความคิดเราเนี่ยแหละเราก็ต้องคอยระวังไม่ให้ใจเรามันหนีออกไปแต่ถ้าเราปล่อยเฉยๆไม่มีงานให้มันทำมันก็ไปแน่นอนงานที่เราควรจะให้เขาอยู่ก็คือให้มาอยู่กับลมหายใจเรานี่แหละ ลมหายใจอยู่กับคำบริกรรมทีนี้ถ้ามันอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยใจเริ่มสงบใจเริ่มสบายดีแล้วเราก็อยากให้เป็นคนขีเ้เกียจอยากให้ใจเรามีนิสัยขีเย้เกียจเราก็เอามันมาพิจารณาร่างกายเรานี่แหละร่างกายของเราร่างกายของคนอื่น มันก็เป็นร่างกายแบบนี้แหละมีแขนสองขาสองศรีรษะหนึ่งดูดูยังไงให้มันถูกทางก็ดูให้มันเห็นตามความเป็นจริงนี่แหละความเป็นจริงของร่างกายของเราหรือว่าร่างกายของคนอื่นมันเป็นยังไง เรานั่งเราก็เห็นกายเรามันนั่งอยู่ใช่ไหมลมมันก็ไหลเข้าลมมันมันก็ไหลออกแล้วตัวเราความรู้สึกไอ้คำว่าเรานี่มันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงความรู้สึกที่มันกำลังดูกายอยู่นี่หละใช่ไหมันมันก็เห็นว่ากายอันหนึ่งใจอันหนึ่งนี่แหละกายมันก็เป็นก้อนหนึ่งที่มันต้องอาศัยลมเข้า ต้องอาศัยลมออกเพื่อยังอัตภาพให้มันเป็นไปอยู่ได้แต่เวลาที่เราพิจารณานอกจากเราจะใช้ความคิดแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือความรู้สึกนะความรู้สึกในใจเราต้องให้มันตรองไปตามความคิดพิจารณาด้วยเอาแต่คิดอย่างเดียวไม่ได้นะ ต้องเอาความรู้สึกเอาใจเราเนี่แหละตรองตามไปด้วยมันอย่างเวลาเราโกรธไม่พอใจบางครั้งเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มันก็กุ่นเคืองหุดหงิดอยู่ในอยู่ในใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็เอาอตัวนั้นแหละเอามันมาพิจารณาให้มันตรองตามความคิด ให้มันเห็นไปตามความคิดไปด้วยให้มันเห็นสภาพที่แท้จริงของคําว่าเราของคําว่าร่างกายของเราแน่นอนล่ะเราอยู่กับร่างกายอันนี้เราก็มีความรักมีความยินดีมีความพอใจในร่างกายอันนี้นั่นแหละใครมีคนรักก็พอใจยินดีในสิ่งที่ ของคนที่เรารักไม่ต้องอะไรมากนะมันพวกที่เขาคลั่งคลั่งดาราเนะโอ้ยจะเป็นจะตายให้ได้ยิ่งสมัยนี้ก็มันก็เข้าถึงง่ายนะดูตามทีวีนี่มันก็จะเห็นละเริ่มมีข่านิยมแหะเจอดาราก็ขอกอดได้ไหม พะเราเห็นว่าออันนี้เนี่ยเป็นของดีของงามก็เลยอยากจะเข้าไปใกล้ชิดอยากที่จะกอดมาได้กอดแล้วก็รู้สึกโอ้ยปลื้มใจยินดีจริงๆแล้วมันต่างกันตรงไหนกับร่างกายของเรา ทำไมเราก่อนร่างกายของเราเราไม่รู้สึกยินดีพอใจบ้างถ้าเราเห็นว่าของเขามันดีเนะี่ยเอามาตั้งเอาไว้เอาของเรามาตั้งเทียบกันไว้เอาของคนที่เราไม่ชอบมาตั้งเทียบกันไว้มองไปมันก็รู้สึกต่างกันนะ่ะเห็นในคนนี้เอาหรอสวยก็ยินดีพอใจ เห็นในคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าเห็นไปมันก็ขัดเคืองไปทุกตรงนั่นแหละแล้วเอาใหม่เอาทั้งดีทั้งชอบทั้งไม่ชอบเอาเข้าไปในเตาเผานะเอาไปเผาสับให้ละเอียดก่อนเผาให้ดีเอาออกมาจากเตาเผาแล้วมันก็แยกไม่ออกนะโออันนี้ของคนที่เราชอบ น, นี้ของคุณที่เราไม่ชอบแยกไม่ออกแต่มันก็เป็นกองเดิมอันนั้นแหละที่เราว่าชอบพอรักใคร่น่ายินดีทำไมใจเรามันจึงรู้สึกเปลี่ยนไปตั้งทที่มันเป็นของเดิมนะของอันเดิมของที่เรายินดีเมื่อสักครู่นี้แหละ จะเข้าเตาเผาไ้เสนั้นความรักใคร่ความยินดีความพอใจมันหายไปแล้วแล้วก็ต้องคอยหัดหมั่นตั้งคำถามกับใจเราบ่อยๆเมื่อสิ่งที่เรากําลังรู้สึกอยู่เนี่ยมันใช่จริงหรือเปล่ามันใช่ของจริงหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นแค่ของหลอกลวงฉาบฉวยหลอกเราไปวันๆไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นของจริงของแท้มันต้องทนการพิสูจน์ไม่ว่าจะพิสูจน์มันยังไงก็ตามมันก็ต้องให้ความรู้สึกเดิมให้ความรู้สึกอันเดียวไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้ามันไม่ใช่ของจริงของงแท้ที่เราจะพึ่งพามันได้ มันก็จะแสดงอาการไม่เที่ยงกับใจเรานี่แหละใจเราก็จะให้ค่าที่เปลี่ยนไปไม่ได้ให้ค่าให้ไม่ได้ให้ความมีสาระเท่าเก่าไม่ต้องถึงขนาดกับไปเข้ า, ตาเตาเผาละอางแค่มันเป็นขี้เรือนขี้ทูดกุดถัง น, น, นั้นแหละ ให้บอกอ๋อจะไปคอบก่อนหน่อยโอยทีนี้มันมีแต่วิ่งหนีนะความเป็นจริงมันเป็นของที่มันไม่ได้สะอาดอะไรคำว่าร่างกายนะมันก็มีแต่ขี้เท่านั้นแหละขี้หูขี้ตาขี้ฟันขี้เหงือ่อขี้ใครแต่ความไม่รู้ความที่เราเห็นผิด มันก็คอยมาบดบังความจริงเหล่านี้ให้เราหลงเพเลิดเพลินยินดียึดติดไปกับความไม่จริงพอเราหลงเพเลิดเพลินไปกับความไม่จริงอย่างนี้โดยที่ไม่ได้มองไปถึงความเป็นจริงไม่ได้เอาใจมาย้อนดูความเป็นจริงมันก็ ยึดติดยึดกับความเห็นผิดอันนั้นไปพอยึดเข้ามากมากก็เอาเป็นจริงเป็นจังโอ้ว เ, เวลาที่มันยึดเอาแบบเป็นจริงเป็นจังมันมันก็เป็นจริงเป็นจังจริงๆนะมันไม่ใช่บอกว่าเอยมันไร้สาระมันไม่มีเกียนสารพูดอย่างนี้นอย่างไงใจมันก็ไม่เชื่อนะ ถ้าใจมันได้ได้ติดได้ยึดได้เอาเป็นจริงเป็นจังได้มาเอามีสาระอยู่ในจิตใจซะแล้วอันนั้นมันก็อาศัยเวลาอาศัยกำลังมากในการที่จะทำความเข้าใจแต่ถ้าสติมันยังไม่ชัดก็ดึงลมให้มันชัดชัดซะหน่อยหนึ่ง แล้วก็ประคองไอ้ความชัดอันนี้เอาไว้ประคองให้มันชัดเอาไว้ที่มันไม่ชัดก็คืออะไรเพราะว่ามันไหลไหลออกไปอยู่กับความสบายๆไหลไปอยู่กับความนิ่งๆนะเราก็ดึงกลับมาไว้ประคองให้มันชัดอยู่เรื่อยๆสติของเรา ถ้ามันไม่ชัดเราก็ดูลมยาวสัหน่อยหนึ่งช่วงนี้เราก็ดูลมยาวๆไปเราจะพูดโทรไปด้วยก็ทำสลับสลับอยู่อย่างนี้แหละเวลาที่ใจเรามีความสงบมีความสบายดีแล้วก็เอามา ไล่เนี่ยตั้งแต่หัวจนรดเท้าเรานี่แหละไล่ของเราก็ของคนอืกมันก็เหมือนกันน่แหละอย่างผมนี่ก็ต้องคอยหมั่นสะคอยหมั่นไปตัดไปแต่งไปย้อมสีมันก็เป็นงานหลายเรื่องหลายแนวเกี่ยวกับหัวเรานี่แหละ แต่ความเป็นจริงคือถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันเลยก็มันก็สกปรกนั่นแหละใช่ป่ะเราก็ไม่หวีไม่สางก็เป็นก้อนๆวันเจ็ดวันเนี่เริ่มแหละเริ่มทนหัวตัวเองไม่ได้เลยมันก็มีกลิ่นนั่นแหละเห็นไหมกลิ่นมันก็มาจากหนังศีรษะเรานี่แหละ ปล่อยไว้ น, น, นานๆมันก็คันบ้างเป็นโรคผิวหนังบ้างแดงผื่นแดงบ้างเกามากๆกเลือดออออีกความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละถ้าเราตั้งทิ้งไว้เฉยๆมันแสดงความเป็นจริงของมันให้เห็นแต่ทุกวันนี้เราพยายามบดบังความเป็นจริงเอาไว้ก็พยายามทำให้มันสะอาดพยายามแต่งว่าเออ แบบนี้ให้มันดูดีแบบนี้สวยแบบนี้ดูดีแล้วก็พยายามแต่งไปตามเรื่องตามราวของสมมุติที่เขาว่ากันไปแต่ไม่ใช่ว่าคนปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ดูแลรักษาให้มันดีนะก็ไม่ใช่ก็ดูแลมันไปแต่เราก็มีความจริงของมันเนี่ยคอยคานคอยค้านอยู่ในใจว่าเฮ้ย ใจเราจะไปหลงยึดติดในแบบเก่าๆไม่ได้นะเพราะกันที่เราไม่เข้าใจตามความเป็นจริงในแบบที่มันเป็นเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตของเรามันวุ่นวายมากเกินความจําเป็นทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันหนักเกินความจําเป็นความจําเป็นของเราคือคอยหมั่นดูแลให้มันสะอาด มันเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เราของเราเราก็ดูแลรักษาให้มันดีให้มันอยู่ในเรียกว่ามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ใช้มันไปพอถึงการถึงเวลามันก็เสื่อมสภาพไปตามการเวลาเราก็เข้าใจว่าเวลาแบบนี้มันเสื่อมสภาพแบบนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเละเพราะฉะนั้นเราก็จะ อาจจะบำรุงมันเพิ่มเติมได้บ้างซ้ำแซมันได้บ้างแต่สิ่งที่มันจะไปปรากฏอยู่ที่ใจคือใจเรามันไม่ได้ไปวุ่นวายเดือดร้อนอะไรกับมันมากจนเกินไปมันจะต่างกันนะต่างกับคนที่ใจมันค้านกับความเป็นจริงที่ไม่เห็นถึงความเป็นจริงไอ้เรื่องราวแบบนี้มันไม่มันไม่ไว้หน้าใครนะ ไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็แล้วแต่เป็นเจ้าจักรพรรดิยังไงมันไม่ปราณีใครทั้งนั้นเหมือนถ้าใครดูจินซีฮ่องเต้นะรวบรวมแผ่นดินจีนได้แล้วใช่ไหมทีนี้ก็เริ่มที่จะแบบทํำยังไงดีนะเพราะว่าเราก็ลําบากตรักสํากว่าจะรวบรวมแผ่นดินให้มันเป็นตึกแผ่นเราก็อยากจะเสวยสุขนานๆ ทำยังไงก็ทีนี้ก็สแสวงหาแหละไม่อยากแก่ไม่อยากตายอยากอายุยืนก็สแสวงหายาอายุวัฒนะก็โดนหลอกไม่รู้จะยังไงไอคนนั้นก็ว่ายาอายุวัฒนะไอคนนี้ก็ว่ายาอายุวัฒนาก็ลองไปเรื่อยสุดท้ายเขาออาฟินมาให้ลองก็ติดฟินนะทีนี้จะเป็นจักรพรรดิอย่างมีความสุขกลับกลายเป็นจักรพรรดิที่ไม่ได้มีความสุขเลยนะ ถ้าดูในมุมมองชาวบ้านธรรมดายางสบายกว่าไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากดิ้นรนแค่หาอยู่หากินพออ น, นุต้องดิ้นรนค้านกับความเป็นจริงพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยคนเรานี่มันมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาใช่ไหมมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเพราะใจมันไม่ไม่ยอมรับความจริงแบบนี้มันก็ต้องดิ้นรนเพื่อจะ เอาชนะความจริงให้มันได้แต่มันรบในสนามที่รบยังไงก็รบสู้ไม่ชนะอยู่แล้วยังไงมันมีความพ่ายแพ้อรอยอยู่แล้วล้านเปอร์เซน์ันเปรเนหนื่อยเปล่าแน่นอนและสุดท้ายเป็นไงตายไหก็ตายจินซีก็ตายตา ย, ตายแต่มันน่าเสียดายตรงที่ว่าอุตส่าห์ลำบากลำบนรวบรวมแผ่นดินนี้มันเป็นปึกแผ่นแล้ว จะได้เสวยสุขให้มันแบบสุขตามอัตภาพความเป็นจักรพรรดิไปนะกลับมาต้องดิ้นรนวุ่นวายกับไอ้เรื่องป่วยไข้หายาอายุวัฒ น, นะว่าต้องการอายุยืนเหมือนก็ใช้ช่วงชีวิตที่มันเหลือตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้มีความสุขเลยแหละวางเถอะมันก็ชีให้เห็นนั่นแหละว่าถ้าใจเราเนี่ย มันเป็นใจที่มันค้านกับความเป็นจริงซะแล้วเนี่ยความทุกข์มันมันซัดเราทุกตรงเลยซัดเราทุกเวลาแหละแต่ถ้าเราฝึกใจให้ใจเราเนี่ยมันคล้อยตามเห็นแล้วก็ยอมรับในความเป็นจริงเราก็จะเป็นผู้ที่มีใจเบาสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนมากจนเกินความพอดีความทุกข์ก็ทุกแบบ คนป่วยมันก็ต้องทุกข์เป็นธรรมดาใช่ไหมแต่มันก็ถ้าเราเข้าใจมันเราก็ไม่ทุกข์มากทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความเป็นจริงมันทุกข์กายด้วยทุกข์ใจด้วยเพราะะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่ได้เป็นธรรมะที่เป็นเรื่องราวอะไรใหม่แหละพระพุทธเจ้าก็แค่แสดงความจริงของโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่ง แล้วความจริงมันไม่มีอยู่หรือยังไงมันไม่มีคนบอกความจริงหรือยังไงมันก็ยังเท่าที่เราเห็นทุกวันนี่แหละขณะพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาประกาศแสดงความจริงให้เราได้รับรู้รับทราบกันจใจอีกคนก็ยังไม่ยอมรับความเป็นจริงอยู่เพราะนั้นเราก็ยังเห็นเนี่ยคนก็ยังมีทุกข์วุ่นวายอยู่กับโลกสมมติอยู่ ใจก็เป็นใจที่เร่าร้อนขุ่นมัวหิวกระหายร้อนรนไม่เป็นใจที่สงบสบายผ่อนคลายาปลอดโปร่งเบาสบายแต่เราก็ยังโชคดีไงว่าเรายังเกิดมาในยุคที่คําสอนของพระพุทธองค์ก็ยังดีอยู่ยังมีอยู่แล้วก็ยังครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ ทางเดินที่เป็นทางสายเดียวสายเอกที่มันจะมุ่งหน้าไปสู่ความพ้นทุกข์ที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แก็ยังเป็นเส้นทางที่เปิดกว้างอยู่ชัดเจนอยู่เพราะว่าคำสอนของพระพุทธองค์ก็ยังครบถ้วนสมบูรณ์ก็อยู่ในยุคที่โชคดียังโชคดียังสามารถที่นำพาตัวเองให้มันไปถึงจุดที่เรียกว่า หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่แม้ในขณะที่ยังไม่ถึงปลายทางในระหว่างทางเส้นนี้คุณประโยชน์ที่เราจะได้รับมันก็คือว่าเราก็จะมีศักยภาพที่จะลดทอนความทุกข์ไปได้เรื่อยๆก็ไม่ได้ลดทอนความทุกข์กายนะเพราะว่าคำสอนท่านกรหมุกเน้นลงตรงที่ใจ คนเราสุขกายทุกใจมันก็ยังไปลำบากยังอยู่ลำบากแต่ถ้ากายมันพอไปได้สุขบ้างทุกบ้างตามอัตภาพไปแต่เรามีความสุขใจไม่มีความทุกข์ใจอันนี้มันคือดีเลิศเลยแล้วมันเป็นฐานะที่ที่ทำได้ทุกคนขอแค่ตั้งใจทำ มีกำลังใจที่จะหมั่นทำทำให้มันเรื่อยๆไม่ลดละไม่ละถอยถึงเราจะเดินช้าแต่เราเดินไปเรื่อยๆมันมีความก้าวหน้าแน่นอนแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรพิสดารมากก็แค่ย้อนใจในเบื้องต้นเนี่ย ย้อนใจกลับมาตั้งมั่นอยู่ในภายในให้ได้ตั้งมั่นอยู่ในพุโทโธอยู่ที่ลมหายใจให้ได้